แนะนำบทอัชชัตบทอัชชัตเป็นบทมักกิยาะมีแปดองค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงความโปรดปรานอันมากมายของอัลลอฮ์ที่มีต่อบา่าวและรอศูนของพระองค์คือม um ูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมทั้งนี้ด้วยการเปิดหัวอกของท่านเพื่อการ إ ي มานทําให้หัวใจของท่านมีรัศมีด้วยปรชยัชญาและความรู้และทําให้บริสุทธิ์จากบาปและความผิดต่างๆทั้งหมดนี้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อปลอบใจท่านจากการที่ท่านต้องเผชิญกับการทำร้ายของพวกหมู่ชนที่ชั่วช้าบทนี้ได้กล่าวถึงการเชิดชูตำแหน่งอันสูงส่งแก่ท่านรอซูลและยกสถานะของท่านให้สูงขึ้นทั้งในโลกนี้และประโลกและให้ชื่อของท่านต่อเข้าด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์บทนี้ได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลซ ล, ลลลออะไรวะัลัมขณะที่อยู่ในนครมักกา ต้องเผชิญกับความยากลําบากและความหวาดกลัวพร้อมกับบรรดาผู้ศรัทธาจากพวกปฏิเสธที่ไม่ยอมศรัทธาโดยแจ้งให้ท่านทราบถึงว่าการปลดเปลื้องความทุกข์ยากและชัยชนะที่จะได้รับเหนือศัตรูนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันนี้จบลงด้วยการกล่าวเตือนท่านรอซูลสล ล, ล, ลัลฮุสลาห์สละลัมได้จัดเวลาไว้โดยเฉพาะเพื่อการพักดีต่อรอหลังจากเสร็จสิ้นหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาทั้งนี้เป็นการขอบคุณ ต่ออัลลอฮ์ที่ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่ท่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเราไม่ได้เปิดหัว อ, อกของเจ้าให้แก่เจ้าดอกหรือ และเราได้ปลดเรื่องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้วซึ่งเป็นภาระหนักอึ่งบนหลังของเจ้าและเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้าแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากการง่ายหนึ่งแล้วก็จงลำบากต่อไปและอย่างพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นจงมุ่งสู่ไปเถิด